พระปฏิบัติท่านถือการฟังธรรมเป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆคือฟังธรรมทางด้านปฏิบัติไม่ใช่ฟังธรรมทั่วๆไปเพราะขณะที่ฟังนั่งฟังนั้นเป็นภาคปฏิบัติได้อย่างดี ยิ่งกว่าการปฏิบัติโดยลำทังตนเองทพอเกี่ยวกับธรรมะที่ท่านแสดงเข้าไปสัมผัสภายในใจเป็นลำดับลำดับความรับทราบและทราบทั้งความหมายด้วยภายในตัวกิตติรับทราบ กระแสแห่งธรรมที่ท่านแสดงไปไม่ขาดวักขาดตอนนั้นย่อมทำให้จิตลืมความคิดต่างๆซึ่งเคยคิดโดยปกติของจิตแล้วก็กลายเป็นความเพลินต่อธรรมมันกลายเป็นความสงบลงไปได้หมายั้งผู้ที่ยังไม่เคยอบรมเลยนั่ง ฟัง ภ, ภาวนาฟังก็เกิดความสงบได้ขณะผู้ที่เคยอยู่แล้วนั้นก็เป็นอีกแง่หนึ่งการฟังธรรมในการนั่งปฏิบัติกรรมาฐานในขณะฟังธรรมจึงเป็นภาคปฏิบัติอันดับหนึ่งของการปฏิบัติทั้งหลายเพราะเราไม่ได้ปรุงได้แต่ง ท่านปรุงท่านแต่งให้เสร็จเมือ่อทมท่านแสดงเข้าไปสัมผัสซึมซาบทั้งจิตใจให้เกิดความราบซึ้งให้เกิดความสงบเย็นใจลงโดยลําดับถ้าผิเดเกี่ยวกับทางสมาธิก็สงบได้อย่างรวดเร็วและง่ายกว่าที่เราบังคับบัญชาให้สงบโดยลําพังที่เราภาวนาเพียงคนเดียวถ้าเป็นด้านปัญญา ถ้าอธิบายเป็ น, นแง่ใดปัญญาจะตามท่านคือเขอยับตามท่านด้ยยยยวยหรือหอเทินไปตามนั้นเหมือนกับท่านทาบุกเบิกท่านบุกเบิกให้เราก็ด้อมตามหลังท่านไปเพราะฉะนั้นขั้งพุทธการจึงเป็นพื้นฐานมาโดยลำดับจนกระทั่งถึงพระปฏิบัติในสมัยปัจจุบันที่เกี่ยวกับการฟังเทศ ทัการฟังเทศจากพระพุทธเจ้าเพราะคำว่าศัก์สดาแล้วก็พร้อมหมดทุกสิ่งทุกอย่างผู้ปฏิบัติอยู่ในขณะนั้นผู้ฟังอยู่ในขณะนั้นเป็นผู้มีภูมิจิตภูมิใจเหลือมล้ำตาสูงต่างกันการฟังเทศจึงต้องได้นับผลประโยชน์ในขณะที่ฟังต่างๆกันไปโดยลำดับบางท่านที่มีปณิสัยสามารถเรียกว่า ประเภทอุคติตันยู่วิปจิกันอยู่คือผู้ที่จะสามารถรู้ได้อย่างรวดเร็วนี้รองกันลงมายอย่างนี้ท่านก็สามารถบรรลุธรรมได้ในขณะที่พระพุทธเจา้าทรงแสดงธรรมแม้ในขณะนั้นยังไม่ได้สาเร็จหรื อ, อยังไม่ผ่านก็เป็นการขยับขั้นภูมิขึ้นไปครั้งนี้ขยับขึ้นไปบางครั้งนั้นขยับขึ้นไปหลายครั้งหลายผลก็ทะลุไปได้ พระที่พระที่มีจํา น, นวนเท่าไรที่ฟังเทศนั้นล้นแล้วตั้งแต่ผู้ปฏิบัติผู้มุ่งตอ่ตอัดต่อธรรมอย่างยิ่งไม่เหมือนกับสมัยปัจจุบันของเราเนี่ยซึ่งเทศผู้เทศก็รู้สึกจะเทศเพอเป็นพิธีผู้ฟังก็ฟังเป็นพิธีไปเสียก็เลยกลายเป็นเรื่องเทศเป็นพิธีฟังมิจฉีศาสนาเป็นพิธีมันก็เลยกลายเป็นโลกไปเสียจากศาสนานั่นแหละ ใีทางภาพปฏิบัติผู้ที่จะแสดงอัดแสดงทำให้ฟังตามหลักความจริงที่ได้ปฏิบัติแด้รู้เห็นมานั้นก็มีจำนวนน้อยแม้หน่วนครั้งพุทธการซึ่งมีสาวกมากมายกายความคือสำเร็จไปโดยสมบูรณ์แล้วการฟังทำจากสาวกทั้งหลายในครั้งพุทธการจรึงฟังได้อย่างสะดวกสบายเพราะมีจำนวนมากและสถานที่ที่บาเพ็ญก็ สะดวกสมายเป็นในป่าในเขาในที่เงียบสงบมาสลายทุกวันนี้ผู้ปฏิบัติที่จะรู้จริงเห็นจริงดังข้างพุทธการก็มีจํานวนน้อยนอกจากนั้นผู้ปฏิบัติที่สนใจต่ออัตรธรรมอย่างจริงจังเหมือนครั้งนั้นก็มีจำนวนน้อยอีกด้วยแต่ยังไงก็ตามผู้มุ่งถอต่อธรรมฟังอัดฟังธรรมจากการปฏิบัติของครูอาจารย์ที่ ในปฏิบัติและรู้เห็นมาแล้วโดยดีนั้นย่อมมีผลประจักษ์โดยลำดับตามกําลังความสามารถของตอนเช่นเดียวกันกันกบท่านผู้ต ก, การเราจะเห็นหน้าในขณะที่ยกตัวอย่างเช่นท่านอาจารย์มั่นท่านแสดงเรากําลังปฏิบัติอยู่ในจุดใดหรือมีข้อข้อง ใ, องใจอยู่ในจุดใดขณะที่ฟังไปโดยลำดับเราก็เพลินไปเป็นผลเป็นประโยชน์ในขณะนั้นโดยลำดับลำดับ พอจวนจะถึงจุดนั้นจิตจะเจาะทันทีเพราะนั่นเป็นปัญหาที่เรายังไม่สามารถจะแก้ได้พลุกกพลงไปขณะที่ฟังก็รอท่าน ถ, ถึงที่นั่นท่านจะว่ายอย่างไรอุบายท่านจะแก้ในจุดนี้ท่านจะแก้อย่จิตเจาะของนั่นพอท่านอาธิบายไปถึงจุดนั้นท่านก็ผ่านไปเลยด้วยอุบายที่ท่านเคยรู้เคยเห็นมาแล้วเล่าก็ได้ สติขึ้นมาทันทีรู้เขาคือเข้าใจในจุดนั้นทันทีก็เป็นอันว่าท่านช่วยแก้ในจุดนี้ทานกรได้จุดหนึ่งนจากนั้นเราก็ปฏิบัติโดยลําดับการธรรมนาของขั้นปัญญาณ น, นี้จะมีความข่องใจโดยลํำดับความล่องใจที่จุดไหนนั่นแลคือจุดของงานที่ปัญญาจะต้องพิจิตริจิณานทํางานอยู่โดยลําดับดับ ขณะฟังธรรมเป็นขนาที่แก้กิเลสไปในตัวของภูมิปฏิบัติในมากได้น้อยหัดได้ไปได้เรื่อยครั้งนั้นครั้งนี้หลายครัง้งหลายหนก็ผ่านไปได้เช่นเดียวกับเช่นเดียวกับครั้งพุทธกาลงั้นแต่ช้าจะเร็วต่างกันอยู่บ้างก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้ปฏิบัติที่จะรู้จะเห็น ในครั้งคนละการทันมุ่งต่อการถอดถอนกิเลตตัวถ่ายเดียวหรือจะแยกเป็นเปอร์เซ็นต์นนก็เรียกว่าเก้าสิบเปอร์เซนต์ที่มุ่งปฏิบัติเพื่อความผูกพันในเรื่องขนรมรำเนียมประเพณีบวชพอเป็นพิธีหรืออะไรอะไรอย่างนี้รู้สึกจะไม่ค่อยมีในครั้งนั้นต่อมาก็ค่อยเรือนรางค่อยจางไปเป็นธรรมดาการตังเทศใน ด้วยภาพปฏิบัติคือกําลังนั่งฟังอยู่ในขณะท่านแสดงธรรมนั้นมันเป็นความเพลิดเพลินภ า, ายจในจิตใจของผู้ฟังแต่ละท่านท่า น, ท, านที่ต่างองค์ต่างสนใจหรือต่างคนต่างสนใจจึงไม่กําหนดไม่สําคัญกับเวลาเวลาว่าท่านเทศนานหรือไม่นานสองสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงมันก็ไม่ได้คํานึงถึง เ, งเวลามีแต่ความรู้กับกจิต มมีแต่สติกับความรู้กับธรรมที่สัมผัสในขณะที่ท่านเทศเท่านั้นมีเท่านั้นเรื่องเรล่องเวลามันมาสนใจแน่ที่สุดร่างกายไม่ทราบมันเจ็บมันปวดหรือไม่เจ็บมันปวดมันไม่ปรากฏมนะีแต่ความรู้เด่นอยู่โดยลําดับในขณะที่ฟังท่านว่าอะไรความรู้มันก็ทราบความหมายไปโดยลําดับดลำดับความทราบความหมายทางธรรมนั่นแหละเป็นความเพลิดเพลินของจิตในขณะฟังนอกจากนั้น จุดใดที่เรากำลังสงสัยท่านก็เทศไปจุดนั้นก็เกิดความเข้าใจขึ้นมามีเรียกว่าได้ผลอันหนึ่งเป็นพิเศษนอกจากได้ผลเป็นความสงบเป็นใจได้ผลเป็นความคล่องแคล่วของจิตที่ขยับตามท่านแล้วยังได้ผลในขณะที่เราสงสัยอยู่ท่านแสดงผ่านไปเราเข้าใจแล้วผ่านไปได้ในจุดนั้นน่ะ จากนั้นก็ออกไปบปําเพ็ญดูโดยลําทางตนเองเมื่อได้รับการอบรมจากท่านแล้วต่างองค์ต่างหาที่หลบซ่อนไปบปําเพ็ญโดยลําทางตนเองผู้ใดอยู่ในภูมิในกน็เร่งในภูมินั้นของตนเป็นภูมิสมาธิที่ยังไม่มีความแน่นหนามั่นคงพอก็เร่งและปัญญาก็พิจารณาในตามการที่เห็นสมควร ไปโดยลําดับเช่นเดียวกันผู้อยู่ในขั้นปัญญาล้วนๆก็จะพิจารณาตั้งแต่ด้านปัญญาฟังเทศอยู่ตรงนั้นทํางานเพื่อการแก้การถอดถอนกิเลสฟังเทศในหลักธรรมชาติแก้กิเลสแต่ในตัวในขณะที่พิมิตพิจารณาเป็นความเพลอดความพนในในงานของตนและผลของงานที่เกิดขึ้นแต่ชิ้นละอันนี้เป็นผลของงานที่เกิดขึ้นจากการแก้กิเลสได้ทั้งนั้นโดยลําดับลําดับ ความเพลิ น, นทำในธรรมนีเป็นความเพลินที่แปลกประหลาดเพลินไม่อิ่มไม่พอแล้วเพลินนั้นไม่มีความเศร้าสศกเครื่อแฝงมาตามหลังเหมือนกับความเพลินในสินทั้งหลายจิตใจถ้าฟังทางด้านปฏิบัติเข้าใจก็แสดงว่า ฐานรับของจิตมีพอสงควรเนีะ้ะตามธรรมดาถ้าเราไม่มีฐานของจิตไม่มีอะไรเลยนี่ฟังด้านปฏิบัติจะเข้าใจได้ยากนะแต่อาจารย์เองก็เคยไปฟังเทศท่านอาจารย์มัน่นฟังไม่รู้เรื่องรู้ราเลยเวลาคานเทศถึงเรื่องธาตุเรื่องขันเรื่องกิเลสการถอดถอนกิเลสด้วยอิทธิใดอาการใดฟังไม่เข้าใจเพราะฐานของจิตเราไม่มี มีแต่ความฟุ้งซ่านนำคาญโดยไถ่ ย, ยูดแต่เวลาจิตได้อบรมไปโดยลำดับฟังเทศไปโดยลำดับก็เกิดความเข้าใจและทราบซึ่งจนกระทั่งจิตเรามีฐานแห่งความสงบแล้วยิ่งไพร่เพราะพริงทราบซึ่งตลอดเวลาในการวังและจากนั้นก็ยิ่งมีความดุดดือหิ้วกระหายอยากฟังท่านเทศดีตลอดเวลา เทศละเอียดรอเทศทาสุขขั้นสูงเท่าไรแม้ตนจะยังไม่เข้าใจในทำขั้นนั้นแต่จิตก็เพื่อเทินไปตามตอนหนึ่งมือจะเอื้อมถึงพระนิพพานอยู่แล้วในขณะที่ท่านเทศเป็นความเพื่อเทินว่าถ้าพดไปตามรู้สึกว่ามันรื่นเริงภายในจิตใจเทินไปตามเหมือนพอท่านเทศจบลงแล้วกมเหมือนเอากระทะมาครอบหัวเนี่ย มองไม่เห็นเลยพยายามบึกบูนตะเกียกตะการไปตามกําลังกวาสามารถของตอวเวลามันไม่เข้าใจมันเป็นอย่างนั้นจิตใจดางที่เทศเมื่อคืนนี้เวลามันโง่มันก็เหมือนจะไม่ฉลาดเลยเวลาหลงก็เหมือนจะไม่รู้เลยเวลาทุกข์ก็เหมือนจะมีสุขอยู่ภายในตัวเลยคนทั้งคนจิตทั้งดวงไม่มีสาระอะไรเลยเหมือนกับนกฐานเถิง ถ้าพูดถึงร้อนมันก็ร้อนเหมือนฐานเติงพูดถึงดำมันก็ดำเหมือนฐานเติงที่ไม่มีไฟแต่เพราะการชำระการบำเพ็ญอยู่โดยสม่ำเสมอก็ค่อยชำระขัดเกาไปเรื่อยๆค่อยผ่องใสขึ้นมาผ่องใสขึ้นมาผ่องใสขึ้นมาความรู้ก็เกิดขึ้นคชาลา ม, าลมก็มาพร้อมกันความสุขก็มาพร้อมกันกับความผ่องใสใจก็เบิก บ, บานยิม้แมแย้มแจ่มใส มองเห็นเรารู้สึกว่ามีคุณค่าขึ้นโดยลํำดับจนกลารเป็นความอัศจรรย์ภายในจิตใจของตนก็มีเมื่อปฏิบัติเข้ามัมากก็อะไรอะไเขาพิจารณาไปหมดถึงโลกธกาตุจะมากน้อยเพียงไรเขาพิจารณาไปหมดปลอยวางไปโดยลํำดับลําดับด้วยการเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วผลสุดท้ายแม้แต่เรื่องธาตุเรื่องขันก็สักแต่ว่าธาตุมาขันพิจารณาลงไปอะไรก็เป็นชิ้นเป็นอันเช่นเดียวกับสิ่งทั้งหลาย อยู่ภายนอกกายของเราก็จะในกดแห่งไตรลักษณ์เช่นเดียวกันจนเข้าใจเรื่องภายในยส่วนร่างกายถ้าอย่างชัดเจนกับสิ่งภายนอกกายก็ยิ่งมีความสว่างสวัยเลยจากทองสายกเริยกายเป็นความสว่างสวัยร่างกายของเราที่แตะก่อนก็เหมือนภูเขาทึกทั้งลูกนั่นแหละแต่เวลาจิตใจมีความ ทองสายมีความสว่างสวยแล้วมันแทงทะลุปไปได้หมดร่างกายเหมือนไม่ไมหมนี่ก็เป็นเงาเงา เ, งาเงาท่านั้นเพราะอ ำ, ำนาจแห่งความรู้อานาจแห่งความสว่างที่มันปรากฏขึ้นอย่างเด่นชัดภายจิตใจเป็นประจำอยู่ภายในร่างอันนี้มองอะไรก็สว่างไปหมดเพราะจิตสว่างนั่นแหะตอนมีความอัศจรรย์นั่งอยู่ที่ไหนก็ภูมิใจตัวเอง อัจรจันตัวเองคืออัจจรัน์จิต ด, ดวงนั้นนี่จิต ด, ดวงเดียวนี่แหละในขั้นเริ่มแรกเป็นอย่างหนึ่งและต่อมาต่อมาเป็นอย่างหนึ่งค่อยเปลี่ยนสภาพมาเรื่อยๆด้วยการซักการฟอกการปฏิบัติการบำรุงรักษาของหับจนกระทั่งถึงขั้นมีความสว่างสวายเกิดความอัศจจาร์ภายในตัวเองงานที่จิตขั้นนี้พิจารณาก็มีแต่เรื่องขันเท่านั้น ไม่มีเรื่องอื่นใดแม้แต่รูปซึ่งเป็นเคยพิจารณาเป็นการเป็งานจริงๆแต่ก่อนมันก็ปล่อยนี่ถ้าว่าถ้าว่าขันมันก็ไม่ครบพอถึงขั้นที่มันปล่อยแล้วรูปประขันมันก็ปล่อย เ, อเวทนาสัญญาสังขารสังขารวิญญาณขันแต่และอย่างละอย่างมันก็เป็นสภาพที่จะพิจารณารู้ได้เช่นเดียวกับรูปประขันหรือสภาวะธรรมทั่วไป ไม่นอกเหนือไปจากวิสัยของสติปัญญาที่จะสามารถอาจรู้ได้ด้วยการบำเพ็ญอยู่เสมอหรือด้วยการอบรมสติปัญญาให้มีความแก่กล้าขึ้นเดิมดับสามารถรู้ได้เช่นเดียวกับขันอื่นๆคือรูปประขันรู้ได้ปล่อยได้เวทนาขันรู้ได้เวทนาขันหมายถึงเวทนาที่เกิดขึ้นพานในจิตโอเดขึ้นภายในขัน ก็เข้าใจสัญญาขันเข้าใจสังขารขันเข้าใจแล้วขันอันนี้จะละเอียดโดยลําดับจนกระทั่งรวมเข้าไปสู่จิตอันเดียวรูปอัญญาบก็รู้เท่าเวทนาอันหาบเกี่ยวกับร่างกายรู้เท่าสัญญาที่หมายจักหยากรู้เท่าสังขารคิดเกี่ยวกับเรื่องต่างๆรู้เท่า ปีญญาลับทราผินภายนอกรู้เท่ารู้เท่ า, ทาโดยลำดับนึกหดตัวเข้าไปเพือจะจิตดวงเดียวจิตดวงเดียวก็ต้องอาศัยอารมณ์คือสังขารความปรุงสัญญาที่แยกออกมาหมายนั่นแหละเป็นงานของจิตในขั้ น, นี้ก็ประสานเข้าไปสู่จิตดวงที่ผ่องใสดวงสง่าผ่าเผยนั่นสังเกตสอดรู้อาการของจิตที่เกิดขึ้นแล้วดับไป ตรงดีตรงชั่วกลางๆางดับไปทั้งสิ้นดับไปแล้วไปอยู่ที่ไห น, นคือความพนา้นคว้าความทดสอบหรือความสังเกตของจิตเพื่อจะหาต้นตอ ม, มันมันเกิดจากตรงไหนนี้เท่านี้เป็นงานของจิตนอกจากนั้นต่อยหมดไม่มีความหมายอะไรทั้งหมดเพราะจิตเข้าใจแล้วเข้าปล่อยวางแล้วจะเอาความหมายมาจากไหน จิตเป็นผู้กรให้ความหมายว่านั้นดีนี่ชั่วเมื่อจิตทราบชัดทั้งสิ่งนั้นทั้งความหมายตัวเองแล้วมันก็ถอยตัวเข้ามาแม้ที่สุดในเรื่องของขันมันก็ยังถอยมันปล่อยวางได้เหลือตั้งแต่ความรู้ที่ผ่องใสที่สว่างสวัยอยู่ภายในจิตใจตายทั้งทั้งร่างก็เหมือนไม่มีมีแต่ความรู้นี่ครอบหมดสว่าง อยู่ภายในตัวทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนมีความสว่างสวายอยู่เป็นประจําแต่ความสว่างสวายอันนี้ก็เคยอธิบายให้ฟังแล้วเราไม่ทราบว่าความสว่างอันนี้คืออะไรเพราะเราไม่เคยเห็นเราไม่เคยพบตั้งแต่วันเกิดมาว่ายอย่างนั้นเลยแล้วทําไมจะไม่ติดคนเรา ทำไมจะไม่ชอบทำไมจะไม่รักไม่สงวนความไม่เคยเห็นเคยไม่เคยรู้ทำไมจะไม่เข้าทำไมจะไม่ว่าเป็นของมีค่ามีราคาทำไมจะไม่ว่าเป็นของอัศาจรรย์ต้องว่าด้วยกันทั้งนั้นเพราะไม่เคยเห็นอันใดที่อัศาจารรย์ยิ่งกว่าธรรมชาติอันนี้บรรดาที่เราเคยผ่านมาแล้วนี่เพราะฉะนั้นจิตจึงติดได้แต่เมื่อติดไปนา น, าน เรื่องของโลกมันเป็นอนิจจังเพราะอันนี้มันเป็นสมมตุติสมมุติมันก็ต้องอยู่ในกฎอนิจจังเมื่ออยู่ปปนานๆคลองกันไปนานๆชมกันไปนานๆรักสงวนกันไปนานๆชอบใจกันไปนานๆมันก็ทําให้มีแง่คิดได้พิ่งที่จะให้มีแง่คิดก็คือความสงวนไม่ให้อะไรมาแตะต้องจิตดวงนี้เลย บางทียังมีปรากฏเป็นความเฉาๆขึ้นมานิดๆให้หูแล้วมันเฉาขึ้นมาได้ยังไงนั่นเป็นข้อกังวลอันหนึ่งขึ้นมาตามขั้นของจิตแม้จะไม่มีมากก็าตามมี่ก็เรียกว่าทุกขเวทนาอันที่มันแทรกขึ้นมาจากที่มันเกิดขึ้นมาจากความที่ว่าจิตเฉาๆหน่อยมีเวทนาของจิตไม่ใช่เวทนาของกายอยู่เฉยๆร่างกายไม่เจ็บไม่ปวดก็ตาม เวทนาของจิตแสดงความเป็นความสุขรุ่นเริงภายในจิตดวงนี้ก็เป็นสุขเวทนาเวลาจิตมีความเศร้าหมองบ้างเล็กๆน้อยๆตามขั้น อ, อันละเอียดของจิตก็เกิดความไม่สบายขึ้นมาความไม่สบายก็ไม่มากไม่มากก็ตามก็เป็นเวทนาอันหนึ่งถ้าเราสังเกตด้วยปัญญาก็ทราบนี่เป็นสาเหตุที่จะต้องพิจารณาถึงจิตอันนี้ทําไมแล้วมันทำไมถึงเฉาเนี่ย ท่านทั้งพยายามรักษาที่ทำใ้ถึงเฉาเป็นผู้ใหลายถึงเฉาทําธรรมชาติอันนี้เป็นที่แน่ใจได้หรือว่าใสาและทําไมเฉาทําไมเศร้าหมองอยู่ได้เพียงตากดนิดหนึ่งก็ตามก็ให้เห็นประจักษ์วิญยานว่าอันนี้ไม่เป็นของเที่ยงไม่เป็นของแน่ใจพอที่จะนอนใจตายใจได้นั่นนหละเป็นปัญญาเราถึงจะปักเข้าไปตรงนั้นนี่มันเป็นอะไรแน่เนี่ยมันจึงเป็นอย่างนี้ ทีนี่ก็แสดงว่าไม่แน่ใจหรือไม่ไว้ใจกับความสว่างไสวความอัศจรรย์อันนั้นจึงต้องพิสูจน์อีกทีหนึ่งทีเพราะมันไม่มีที่จะพิจารณามันหมดที่พอจอปัญญาเข้าไปของนั้นสติเข้าไปของนั้นกำหนดว่ามันเป็นอะไรต่ออะไรกันแน่กำหนดดูเข้าไปดูเข้าไปการดูของสติปัญญาขั้นนี้ดูจริง ไม่ได้มีความเถอความทั้งไปพาดไปไหนเลยดูอะไรเป็นงานอันนั้นจริงๆทําเป็นทํากําหนดอะไรเป็นอันนั้นเป็นไปด้วยความจงใจเป็นไปด้วยสติปัญญารอบตัวตลอดเวลาเมื่อนํามาใช้ในจุดนี้ทําไมจะไม่ได้ผลอย่างรวดเร็ว เ, เพราะเป็นขั้นของสติปัญญาตั้งมา่นอยแล้วใช้งานในทางใดได้ผลมาหมดเมื่อใช้งานในจิตนี้ทําไมจะไม่ได้ประการสําคัญก็คือความไม่แน่ใจที่เกิดขึ้น ทำให้สงสัยเนี่ยมันต้องใช้ปัญญาพิจารณาจดจอ่อดูสังเกตเองมันเป็นอะไรแน่อันนี้นี่มีแสดงว่าจุดนั้นเป็นเป้าหมายในการพิจารณาหรือเป็นสภาวธรรมนหนึ่งที่เราจะต้องพิจารณาเช่นเดียวกับสภาวธรรมทั่วไปเพอพิจารณาลงไปเท่านั้นไม่ได้นานอะไรเลยเพราะมันคอยจะแตกจะสลายไปอยู่แล้วเป็นแต่เพียงว่าเราง่งเฉยๆพอกําหนดเข้าไปก็ ไอ้เรื่องที่ว่าตาจย์ก็สลายลงไปทันทีธรรมะอาตาจันอันนั้นก็หมดไปความที่ว่วาเศร้าหมองผองใสทั้งหมดไปพร้อมๆกันกับจุดอันนั้นที่สลายตัวลงไปนั่นสมมตุติขั้นสุดยอดแห่งส ม, มุดขั้นสุดยอดแห่งกิเลสแห่งอาสวะท่านเรียกว่าอาวิชชานี่แหละคืออวิชชาตรงนี้เอง ไม่มีอันใดเป็นอวิชชายิ่งกว่า น, นี้ละเอียดและออนมากที่สุดจนถึงขนาดม่าต้องหลงไปได้ลืมตัวไปได้เถอะไปได้ทีนี้เมื่อความอหัศจรรย์ของสมมติอันนี้สลายลงไปแล้วสิ่งที่เป็นนิมิตไม่ต้องถามกตรสะจรย์เหนืออันนี้สักเท่าไหร่คาถาาของโลกเป็นผู้เหนือโลกเป็นผู้ประเสริฐสุดถ้านสาวกอหรหันอรหันท่านประเสริฐสุดท่านประเสริฐสุดเพราะจิตดวงที่บริสุทธิ์ซึ่งพ้นจากเครื่องหุ้มห่อ มีความสว่างสวยหรือความผ่องใสนี่เป็นต้นมเมื่ อ, อนี้สลายออกไปแล้วนนั่นจะแสดงตัวเต็มที่ตาธมธรรมชาติของตน น, นั่นแหละความประเสริฐของท่านท่านประเสริฐที่ตรงนั้นอ น, นั่นจึงเป็นความประเสริฐแท้โดยไม่ต้องได้ระมัดระวังรักษาไม่ต้องเป็นกังวลไม่ต้องติดอืไม่ต้องสงวนไม่ต้องรักษาไม่ได้เหมือนอันนี้อันสว่างสวยอันนี้ ได้ลมัธระวังรักษาเป็นความกังวลอยู่ตลอดเวลากังวลตามขั้นของจิตแม้จะไม่มากก็มีอยู่นั้นสุขเวทนาก็มีอยู่ที่นั่นทุกเวทนาก็มีอยู่ที่นั่นเพราะมันเป็นขั้นของสมมติสมมติต่อส ม, มุติก็ตามละมาถึงกันได้พอสมมติอันละเอียดนี้สลายลงไปหมดแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะต า, ากด์ณพ <uggle> ระสถานท่านจะเสวยสุขเวทนา่ายในจิตของท่านเหมือนอย่างที่เคยเสวยสุขเวทนา เวตนามาทั้งหลายเป็นไปไม่ได้น่ะมันเป็นเครื่องยืนยันในตัวเลยเวทนาเหล่านี้เป็นเรื่องของสมมติทั้งหมดจิตดวงนั้นพ้นจากสมมติแล้วจะเป็นเวทนาเหมือนอย่างสมมติทั้งหลายนี้ไม่ได้เหมือนอย่างจิตทั่วไปนี้ไม่ได้แล้วก็มีข้ออันหนึ่งที่สแสดงขึ้นในหลักธรรมว่านิพพานังปร r a m a สุ ข, ขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งความสุขของนิพพานนั้นไม่ใช่ความสุขอย่างโลกโลกนี่เพราะที่จะเกิดแล้วดับไปเกิดแล้วดับไปเกิดแล้วหายไป เป็นความสุขที่มีอยู่ดั้งเดิมกับธรรมชาติเหตุผลที่บริสุทธิ์แล้วนั้นเท่านั้นจึงไม่จัดว่าเป็นเวทนาถ้าเป็นเวทนาก็ต้องอนิจจังตุขังหน้าตาไปด้วยกันหมดอันนั้นมาเป็นเวทนา จ, ride, จึงไม่เนียนจังตุกขังหน้าตาใดใดทั้งหมดที่จะเข้าไปเกี่ยวข้อง ห, หรือทำลายได้เลยขันพ้นจากขันที่พ้นจากสมมติเป็นอย่างนี้ที่พระพุทธเจ้าท่านประเสริฐท่านประเสริฐในจุดนี้เองแล้วนําทําออกจากธรรมชาติอันนี้สองสอนโลกไม่ออกจากจุดใด หรืไม่ออกจากอันใดหมาออกจากความบริสุทธินี้เท่านั้นแสดงทำมาอันนี้เป็นของจริงเต็มส่วนถ้าพูดทุกเปอร์เซ็นต์ก็ร้อยเปอร์เ็ตแสดงทำออกทางสอนโลกก็ต้องเป็นความจริงร้อยเปอร์เ็น้อยเปรเ็นหี่ผู้รู้จริงถึงจริงนําออกแสดงจะผิดไปที่ตรงไหนตนเป็นผู้ปฏิบัติมาเองทั้งวิธีปฏิบัติก็รู้แล้วผลก็ได้รับอย่างกระจัดใจเมื่อ น, นําออกทั้งเหตุทั้งผลแสดงแก่โลกจากความจริงอันนี้จะผิดไปไหน นี่แหละที่พี่ย่อสั่งสอนโลกได้ผลเป็นที่พึงพอใจได้มากมายยิ่งกว่าบรรดาสาวกหลายเป็นเพราเห็นนี้เพราะพระพุทธเจ้าก็เป็นพุทธวิสัยนี่ให้อุบายวิธีต่างๆที่สั่งสอนโลกได้กว้างขวาง ม, มากมายและสาวกท่านก็สามารถลองจากพระพุทธเจ้าลงไปอีกเพราะรู้ความจริงเห็นจริงเหมือนกันเป็นแต่ทีงว่าไม่กว้างขวางเพราะเป็นสารกกะวิสัยเป็นวิสัยของสาวกห น, นูวิสัยพระเจ้าต้องปิดกันเป็นธรรมดาแม้จะถึงความเป็นสุดด้วยกันก็ตามความสามารถที่จะนำ ทำในแง่ต่างๆออกมาสอโลกนี้ต้องเป็นไปด้วยสติปัญญาความสามารถฉลาดรูด้ของอาตามวิสัยของผู้นั้นๆนตลอดถึงครูบาอาจารย์ของเรายกตัวอย่างเช่นท่านอาจาร์มั่นเป็นต้นการแสรดงธรรมนี้ไม่มีใครเท่าที่ผ่านมานี้จะเหมือนท่านอาจาร์มั่นบ้างนี่ความฉลาดแหลมคมของการแสรดงออกในแง่ต่างๆของธรรม ท, ทานกับผู้ฟังคือท่านกับพิเรยของผู้มาศึกษาอารมเพราะฉะนั้นพิเรย จ, จรึงต้องหลุดรอยไปเรื่อยๆ จากการสดับรับฟังกับท่านนี่ผิดกันอย่างนี้เพราะผู้หนึ่งรู้จริงๆเห็นจริงๆพูดออกมาจากความจริงผู้ฟังก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยเข้าใจตามหลักความจริงนั่นเลยไม่ผิดเพี้ยนไปที่ไหนนี่มันได้แบบงูปลาเหมือนอย่างพวกเราทั้งหลายสั่งสอนกันเจ้าของปฏิบัติมาของลุ่มๆนอนๆงูปลาสั่งสอนคนอื่นจะเอากิงเอาจังมาจากไหนเพราะเจ้าของหาความจริงไม่ได้สั่งสอนคนก็จริงไม่ได้ที่ ก้อ ง, งูปลาออกไปผู้ฟังฟังงูปลาลู ร, รูงูปลาแล้วมีทั้งงูปลาเป็นศาสนาเป็นคนผู้ปฏิบัติศาสนาแง่เพราะนั้นเอาให้งูก็งูจริงที่เห็นชัดปลาก็ปลาจริงประจับ ก, กับใจของเรานี่จะเป็นทำขั้นใดก็าตามให้รู้ประจับ ก, กับเราทำเป็นสัตติโกผู้ทีเจ้าไม่ทรงผูกขาดผู้ปฏิบัติจะพึงรู้เองเองด้วยกันทุกคนไม่ว่าหญิงว่าชายเพศใดก็าตามพราะจะจะทำมีเหมือนกันหมดให้ยมอม ว, ว่าหน้าป่วดและคารว่าว่าหญิงว่าชาย ขึ้นอยกับการปฏิบัติทําเป็นของกลางส่วนเพศนั้นท่านพูดทำไว้ตามขั้นตามภูมิประกาศว่าผู้นี้เป็นเพศนักรบผู้ง่ายๆเข็ดนักงบวชเว้นจากกิจ บ, บ้านการเดอนทั้งหมดแล้วไม่ไปเกี่ยวข้องมีหน้าที่จะปฏิบัติธรรมเพ่อความนี้แจง้งยิงโดยถ่ายดยแต่เมื่อเข้าสงครามแล้วเป็นน้อยเฉยแค่ขเข้าปืนแหวี่ยงตายเฉยๆเนี่ยนี่บวชมาแล้วตั้งไม่ตั้งใจูะปฏิบัติร ต, ต่ว่าเข้าสงครามอะไรเข้าสงครามแ้เฉย ด, ดมันแ ท, แทงเอาแทงเอาตายพน่าตผิดหาย เยมันก็ผิดแปลกอะไรกับฆราวาสเขาดีไม่ดีสู้เขาไม่ได้การปฏิบัติธรรมเป็นอีกอย่างหนึ่งการรักษาเพศทั้งตนนี้เป็นอีกอย่างมันคนละอย่างเนี่ยเชื่อที่เรียนแล้วไม่ว่าหญิงว่าชายไวาท่านบวชฆราวาสแจ้งกันทั้งนั้นถ้าจะแก้่การแสดงธรรมของครั้งพุทธการตึงผิดกันมากมายกากรแล้วกับภูบาจารที่ท่านรู้จริงจริ ง, ร ง, รงดังที่อธิบายมานัน ผู้ฟังถึงใจทราบเชิงถึงใจแล้วยังเป็นเชื่อหรือเป็นเครื่องหนุนพลังจิตางเราให้มีจจ้จจิตใจใจประที่ปฏิบัติตามด้วยเพราะอำนาจแห่งความเชื่อความโน้มสายความถึงจิตถึงใจจากการฟังของท่านเป็นหลักสำคัญเราก็เป็นเชื่อญาติของพระพุทธเจ้าอยู่แล้วไม่ต้องว่าสมัยโน้นสมัยนี้ สมัยนู้นรู้สมัยนี้ไม่รู้สมัยนู้นคนปฏิบัติบรรลุผลนพิพพานสมัยนี้คนไม่บรรลุเราอย่าไปคิดอย่างนั้นเป็นความเข้าใจผิดจะเป็นการส่งเสรมิมกิเลสสมยัยสมัยนู้นท่านก็สอนคนมีกิเลสเนี่ยกิเลสมีประเภทเดียวกันกับพวกเราและสมัยนู้นถ้าก็สอนคนให้แก้กิเ ล, ล, ล ส, สอนนัเนเราก็แก้เหมือนสมัยนู้นแก้กิเลสตัวไหนตัวกิเลสที่มันอยู่ในใจข้างเราเนี่ยซึ่งเป็นเหมือนกับกิเลสสมัยนู้นแก้ด้วยข้อปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อปฏิบัติในครั้งนู้นผิดกันที่ตรงไหน แล้วจะมีการมีเวลามีสถานที่ที่ตรงไหนไม่มีอยู่ที่ใจของเราถ้าจะทําไม่มีการสถานที่อยู่ที่เราเดีวยวกันถ้าจะทําคืออะไรทุกสมุทัยนี่เป็นไยจีดกั้นมัดคือข้อปฏิบัตินี่เป็นไย บ, บุกเบิกนิโรธเป็นเครื่องดับทุกเมื่อบุกเบิกได้เท่าไรด้วยมัด น, นิโรธกระดับทุกประเดิมดับไม่มีเหลือภายในจิตใจเช่นเดียวกับข้ามพุทธกานี่หายด่วนเข้ามาตรงนี้ เราจะไปคิดบาป ก, การนั้นการนี้เป็นการให้ทําให้เราท้อถอยใจนี่เป็นอุบางที่เดชสอนเราอีกเราจะรู้เราจะไม่รู้เท่าทันที่เดชเนี๋ยจะคานไปตามมันโดยไม่รู้สตัวหให้เอาทำมาเป็นเครื่องมือดังที่สอนดังนี้แล้วจะเราจะ ม, มีปัญหาในทั้งบุตรการกับทั้งนี้เหมือนกันสําคัญอย่คู่ปฏิบัตินี้เท่านั้นอันนี้เป็นที่แบบเป็นที่แน่ใจขอยุตติการแสดงเพียงเท่านี้